เพือ่อข้อมูลพวกนี้ก็น่าน้าเอาไปไปคิดเยอะๆนะเพราะว่าถ้าเราเจริญพุทธคุณนะก็ต้องเอาธรรมะเหล่านี้ไปตรึกด้วยเช่นบทว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระพุทธเจ้ามีจารณะมี15หใช่ไหมจารณะ15ข้อหนึ่งเรียกว่าศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศีลข้อสองพระพุทธเจ้ามีอินทร์สังวรข้อ3พระพุทธเจ้ามีโภชเนมตันยุตาข้อสพระพุทธเจ้ามีชาคริยานุโยค พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาพระพุทธเจ้ามีหิริมีโอตะปะพระพุทธเจ้ามีวิริยะพระพุทธเจ้ามีสติพระพุทธเจ้ามีปัญญาพระพุทธเจ้ามีปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, าตัตยฌ า, านและจัตุทฌานนะถ้าเจริญบทพุทธคุณบทว่าวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนข้อมูลนี้เอาไปใช้หมดเลยนะถ้าเอาไปตึกพุทธคุณแบบนี้สองสาครั้งเท่านั้นแหละโอ้โหวิสุทธิมัคเนี่ยจำได้ไปเยอะเลยนะีย เพราะต้องเอาไปตรึกเอาไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและถ้าศึกษากุศลธรรมเหล่านี้บ่อยๆตรึกเอาเรื่องนี้มาพิจารณามากๆต่อไปศีลานุสติไม่ยากนะนะตามระลึกถึงศีลที่ได้รักษามาก็ไม่ยากนะอนุสติประเภทศีลานุสติก็จะเกิดง่ายถ้าศีลานุสติแบบนี้เกิดได้บ่อยๆนะเทวตานุสติไม่ยากทาไมอ่ะโอ้เทวดาที่เป็นเทวดาเพราะมีคุณธรรมเหล่านี้เอ้คุณธรรมเหล่านี้เราก็มีใช่ไหม เทวตานุสติก็ไม่ยากทีนี้สังขานุสติก็พอได้โอ้สงสาวกของพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แหละอันนี้ก็เป็นสังขานุสติใช่ไหยธรรมานุสติอ่ะโอ้นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะคิดในลักษณะเออนี่เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานคําสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อสงบกิเลสเออนี่เป็นธรรมานุสตินะอ่ะหมุนๆเอาไปเป็นเรื่องอะไรได้หมดเลย คล้ายเข้าใจได้อย่างเนะี้ยเอาไปหมุนได้หมดนะเนาะมีทุนได้อย่างเดียวเนี่ยลงทุนได้ดหลายอย่างหมุนได้หมดอะผ่านไปสามปัญหาแล้วนะต่อไปปัญหาที่สี่ถามว่าอะไรเป็นอ น, นิสง์ของศีลเอ่อปัญหาข้อนี้น่าสนใจมากอ น, นิสง์ของศีลเนี่ยนะอยากได้เล็กเกินเหนือเหนะือแต่รู้จักศีลก่อนเนี้ยหวังอ น, นิสง์ก็ไม่น่ามีปัญหาเนอะไม่รู้จักศีลเลยนะจะเอาแต่อณิสงของศีลอย่างเดียวไหมมันก็ งานไม่ทำเยจะถูกกันลอตเตอรี่ต่อไปว่าอะไรเป็นศีลมีอะไรเป็นอ น, นิสงส์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะรักษาศีลจะต้องรู้จากอ น, นิสงส์ก่อนใช่ไหมเออศีล น, นี่รู้แล้วว่าศีลคืออะไรรู้แล้วศีล น, นี่อาัตาว่าอะไรก็รู้แล้วศีลมีลักษณะที่จตุกะคือลักษณะราศาัศปั จ, จปุประธานประธาฐานเป็นยังไงก็รู้แล้ว เออรู้แล้วว่ามีประโยชน์ยังไงศีนันนี้ใช่ไหถ้าไม่รู้ประโยชน์ไม่ทำแน่ไม่รักษาแน่วแต่และอย่างรักษาไม่สนุกเลยเนอะถ้าหากว่าศีนเนี่ยมันขัดต่อการหัวเราะการหยอกเย้ากันแารแลเล่นเป็นต้นเนี่ยมันขัดขวางความสุขหน้าดูเลยเนาะนะสนุกสนกเนี่ยเยน็ยนเย็นอาหารบางอย่างมันอร่อยเย็ยนเยน็นะเวลาอื่นไม่อร่อยหรอกนะไปสมมติว่าเราหิวบางอย่างนะต้องทานตอนเย็นยิงกันได้ไปเช้าเนี่ยเอเอเอามาตั้งไม่น่าตักสักอย่างอนะคำว่า ง, งั้น ออมานี่สังเกตหลายครั้งเหมือนกันนะเออตอนเย็นไอ้ชอบอาหารแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเช้ามานี่เอามาตั้งในโต๊ะเนี่ยไม่เหลียวเลยไม่รู้สึกอยากเขาบอกกัแสดงว่าอาหารบางอย่างเหมาะในยามเย็นยามเช้าเป็นต้นแต่ว่าศีลเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้กิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้ชอบอาหารแบบนั้นถ้าศรัทธาในกุศลศีลกิเลสอันนั้นก็ไม่เกิดเนไหมเ อ, อถึงกิเลสมันเกิดศีลก็มาสังวรไม่ให้ล่วงละเมิดออกไปถึงกับทําลาย ระเบียกคาสอนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นศีล น, นี้มียนิสงคือเฉลยว่าศีล น, นี้ศีลมีการได้มาซึ่งคุณเป็นอนเนกนะศีลเ น, นี่ยทำให้ได้คุณธรรมเป็นอันมากมีอวิปปิสารอาวิปปิสารแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเป็นอนิสงฆ์เขาวางนันอวิปปิสารซึ่งแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเป็นอย่างไร นะถ้ารักษาศีลรักษาเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกามศีลไว้ได้นะเขาจะไม่เดือดร้อนใจคําว่าไม่เดือดร้อนใจก็คือจิตตุ บ, บาทที่เป็นกุศลนะจิตตุปาทะการเกิดขึ้นของมหากุศลน่ะนะซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความเดือดร้อนชื่อว่าไม่ความเดือดร้อนอ่าชื่อว่าไม่เดือดร้อนชื่อว่าอาวิปฏิสารเพราะฉะนั้นคําว่าอาวิปฏิสารเป็นชื่อของมหากุศล นะมหากุศลและเจตสิกที่ประกอบและความไม่เดือดร้อนอันนั้นเนี่ยเป็นไปโดยพิเศษพึงทราบว่าเป็นไปด้วยอำนาจการพิจารณาถึงศีลของตนนะเอาวิปฏิสารจะเกิดขึ้นได้เพราะเป็นผู้ที่ทบทวนศีลทบทวนไข้ครวนพิจารณาศีลของตัวนะพิจารณาว่าเป็นลาบของเราหนอเออศีลเนี่ยเป็นศีลนี่เป็นทรัพย์ใช่หม รัพย์คือศีลวันเพราะเมื่อเรามีศีลปั๊บเนี่ยใคร่ครวญถึงศีล น, น, นั้นเออนี่เป็นลาบของเราลาบแปลว่าอะไรลาภานี่แปลว่าแปลว่าได้เราได้ดีแล้วหนอะหวังกันเป็นลาบของเราเราได้แล้วหนอเพราะเราได้ซัพย์คือศีลหรือว่าศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วหนอเนี่ยการไข้ครควญแบบนี้เนี่ยเป็นมหากรุสสนะถ้าคนศีลไม่ดีเนี่ยคิดอย่างนี้ได้ที่ไหนลนะคิดแหมมันเดือดร้อน มันเหมือนกับว่ารูปรูปไปตามจานวนก็รูปไปที่หน้านะถ้าคนมีสิวเนี่ยรูปตรงไหนโดนก็เอาสะดุ้งเลยนะแต่แถวๆจมูกด้วยนะมีสิวขึ้นแถวนั้นน่ะเจ็บหน้าโดนนะเพรา ะ, ะนั้นก็บอกว่าถ้าศีลดีก็ไม่ไม่เดือดร้อนลักษณะนั้นหรอกไม่เจ็บแบบนั้นหรอกก็บอกว่าถ้าศีนไม่ดีมากแผลมันก็ใหญ่รูปไปเมื่อไรเนี่สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยแต่ถ้าศีลดีก็สบายเนี่ยนะทีนี้ต่อไปว่า คำว่ศีลเนี่ยนะที่ว่าไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นก็คือศีลย่อมนํามาซึ่งปราโมทถ้าหากว่าในหน้า43าเนี่ยนะกล่าวถึงผลของอวิปปิสารเป็นต้นลองเปิดเปิดไปดูนะเพื่อที่จะให้เห็นอ น, นิสง์ของศีลหน้า43ที่กล่าวว่ า, าวินัยเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่การสังวรวินัยกับกุศลศีล น, นี่อันเดียวกันนะ สังวเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารนะนะอวิปปติสารเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปราโมดปราโมดเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปั except except except สสธิปัสสธิเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สุขสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยะถาภูตยานทัศนะ ยะถาภูตยานทัศนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่นิพิทานิพิธาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิราคะวิราคะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติยานทัศนะวิมุตติยานทัศนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อนุปาธาปรินิพันธ์เพราะฉะนั้นคำพูดมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การปรึกษามีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเข้าไปนั่งใกล้มีสิ่งนี้เป็นประโยชน์ การเงี่ยโสดลงสดับมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้อันใดเล่าสิ่งนี้คือความหลุดพ้นแห่งกิจเพราะไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้นสรุปนี้กล่าวถึงประโยชน์ของพระวินัยทั้งเป็นต้นทั้งหมดอันนี้ยกมาจากข้อความในคัมภีร์ปริวานคัมภี์ปริวานเนี่ยฉบับของเราก็าเรียกว่าเล่มสิฉบับ45้าเล่มอยู่เล่ม8อยู่ในหัวข้อว่าด้วยจูลสงครามจูลสงครามกล่าวถึงประโยชน์ของวินัย นะตรงนั้นมีประโยชน์ของสูตรและประโยชน์ของวินัย น, นี้ยกเฉพาะประโยชน์ของวินัยเพราะฉะนั้นกุศลศีลย่อมนํามาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเป็นอ น, นิสงส์ข้อนี้สมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าดูกระอณา น, น, นะย้อนไปที่หน้า29คืนนะว่าดูกระอนาก็ศีลทั้งหลายมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอ น, นิสงส์ อ่ะ น, นะข้อความอันนี้ยกมาจากกิมัติยะสูตรอังคุตระนิกายทัศกานิบาศเล่มสามสิแปดสูตรที่หนึ่งเลยนะไปดูได้แล้วก็ในเ e อกาทัศกานิบาศก็เหมือนกันเพราะว่าศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอนิสงค์พานนท์ก็เลยถามว่าอวิปปิสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงฆ์พระเจ้าค่ะพระ อ, องค์ก็บอกว่าอวิปปิสารมีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอนิสงค์ก็ เอาแบบข้อความแบบในหน้า43นั่นแหละมารลา่ต่อไปได้เลยสบายมากนะคําว่าอาวิปปิสารเป็นผลผลอ น, นั้นเนี่ยนะอัตทะหมายถึงประโยชน์นะอวิปปิสารัฐานี้ก็คืออัตทะตัวนั้นหมายถึงประโยชน์มีอวิปปิสารเป็นอ น, นิสงค์คําว่าอ น, นิสงค์แปลว่ากําไรนะรู้นะ เคยได้ยินเออมีอะไรเป็นอา น, นิสง์อา น, นิสงก็คือกำไรนั่นเองเหมือนค้าขายเนี่ยนะค้าขายมีกำไรใช่ไหมเออแล้วกุศลศีลเนี่ยมีอะไรเป็นกําไรว่ั้นก็มีอวิปปิสารนั่นแหละเป็นกําไรนะมันค้าค้าศีลเนี่ยก็ต้องอวิปปิสารเป็นกําไรนะ <c oughs> ก็บอกว่าถ้าค้าศีลแล้วได้ความเดือดร้อนใจเป็นกําไรนี่ไม่ใช่อาจานย์นรัฐะถ้าหากว่ารักษาศีลแล้วมันนั่งเครียดนั่งหงุดหงิดเอ๊ะเป็นยังไงนี่สแสดงว่าค้าขายเนี่ยสแสดงใกล้จะขาดทุนนั่นแหะ เพราะฉะนั้นเพียงศีนเกิดขึ้นก็ชื่อว่าความไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกับร่มเงาและดอกของต้นไม้ที่เติบโตแล้วศีนเนี่ยนะมีความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะก็ไม่เล่าร้อนอะ่ะเหมือนกับเราเข้าไปนั่งในร่มไม้ที่มีใบมีดอกบานสะพรั่งเลยนะนนที่ใดที่มันร่มริ่นแบบนั้นก็แสดงว่าไม่รล่าร้อนใช่ที่ไหนร่มเรื่นก็แสดงว่าไม่เล่าร้อนที่ไห น, เ, นไเลา ร, ร้อนก็ไม่ร่มรืน่น เพระนั้นกุศลศีลเนี่ยก็นํามาซึ่งความร่มรื่นไม่เล่าร้อนไม่เดือดร้อนนะไม่เรือดร้อนไม่กวนกวายเป็นต้นอ้าวมีทรัพย์จะไปร้อนทําไมใช่ไหมถ้าหากว่าทางโลกเนี่ยใครมีทรัพย์คนนั้นก็พูดถึงเรื่องทรัพย์เมื่อไหร่ไม่กวนก歪เลยเหมือนกันเถอะถ้าทางธรรมใครมีศีลก็ไม่เร่าร้อนอันนั้นแหละเป็นทรัพย์เนี่ยนะโลกเป็นอริยทรัพย์เหมือนกันทีนี้ยังมีข้อความอีกข้อความหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ใน ในบ้านปาตาลิกามอะ่ะสมัยที่พระ อ, องค์ใกล้จะปรินิพานนะที่พระ อ, องค์ตรัสกับอุบาสกชาวบ้านปาตาลิกามเอาไว้ว่าดูกะระเครฮาบดีทั้งหลายอันนี้สองห้าอย่างเหล่านี้ย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ทําศีลให้ถึงพร้อมคนที่มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ จะมีอั น, นิสงห้าอย่างมีอ น, นิสงฆ่าประการอันนิสงห้าอย่างอะไรบ้างดูกะระท่านเครือหาบดีทั้งหลายผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบกองโภคะใหญ่เพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทนี้เป็นอันนิสงข้อแรกย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีล น, น, นะคนมีศีลก็จะเป็นคนไม่ประมาทใช่ห เมื่อไม่ประมาทอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งโพคะเอาคนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ใครจะมาฟ้องเพราะการฆ่าใช่ไหมคนมีศีลไม่ลักทรัพย์องี้ใครจะมาปล้นใครจะมาจับไปนะคนมีศีลก็คือไม่ประพฤติผิดในประเวณีเป็นต้นไม่ไปพูดมุสาเป็นเหตุให้เสียทรัพย์อะไรอย่าลืมนะการเสียทรัพย์ก็เกิดจากปาณาติบาตเช่นการฆ่านะไปฆ่าคนอื่นนะไปฆ่าสัตว์บางอย่างอางี้เขาก็ ฟ้องร้องเอาเป็นต้นใช่ไหมเขาก็จับอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งความเสียทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์เนี่ยนะไปขโมยไปทุจริตเป็นต้นเขาก็สอบสวนเขาจับได้ก็เป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือถึงกับผิดประเวณีผิดคู่ผิดครองเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเหตุให้เสียทรัพย์ได้ดังนั้นคนที่ไม่ประมาทก็จะประสบกองโภคะที่ที่ใหญ่เราสังเกตดูนะคนที่ใช้ชีวิตวิบัติเนี่ยนะไปขโมยไปทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็ฟ้องร้อง เสียทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลอันนั้นก็เพราะความประมาทมันถ้ามีศีลก็จะไม่ประมาทต่อไปดูกระท่านพฤหบดีทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งกิติศัพท์คือชื่อเสียงที่ดีงามของท่านผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมฟุ้งไปนี้เป็นอ น, นิสงค์ของศีลข้อที่2ย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยนะจะมีชื่อเสียง ไปกว้างไกลว่าเขาก็จะประกาศสดุดดีตั้งขึ้นแผ่ไปตลอดโลกนะยิง่งศีลดีมากเท่าไรชื่อเสียงก็กว้างขวางไปขนาดนั้นว่าท่านผู้นี้มีศีลเพราะเหตุนี้ท่านผู้นี้มีธรรมงามเพราะเหตุนี้คนทั้งหลายก็จะยกย่องเชื่อเชิญโอ้คนนี้ดีนะเขาไม่กโกรธเขาไม่แสดงอาการที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะแล้วแต่ว่าเขาอยู่เขาศีนระดับไหนถ้าเขามีศีลมาก ชื่อเสียงของเขาเป็นตันก็กว้างไกลไปมากถ้าทุศีลมากชื่อเสียก็กว้างไปขนาดนั้นเหมือนกันนะนะทุศีลเมื่อไหร่ชื่อเสียเนี่ยนะออกหน้าหนึ่งเลยดีไหมโอ้แผ่ไปทั่วทั่วประเทศนะแต่ชั่วระดับหนึ่งก็แผ่ทั่วประเทศแต่ชั่วระดับหนึ่งอะทั่วโลกเลยคันนี้แย่ yeah. เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยไม่ดีนะใครผิดศีลเนี่ยชื่อเสียนะไม่ใช่ชื่อเสียงเลยคันนี้เสียหมดเลยคันนี้เขาบอกว่าธรรมดาความดีเนี่ยนะทํามาแทบตาย ทำชั่วแป๊บเดียวเนี่ยนะชื่อเสียกลบเปลื่นหมดเลยที่ที่เคยทำดีมาทั้งชีวิตเนี่ยนะเสียหายหมดเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นศีลถ้ารักษาไว้ได้เนี่ยก็เป็นเหตุแห่งชื่อเสียงด้วยนะต่อไปข้อที่3ว่าดูก่อนท่านค้าราชาบาดีทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลจะเข้าไปหาบริษัทอื่นใด ไ ม, ไ, มมไม่ว่าคัติยาบริษัทไม่ว่าพรามณ์บริษัทไม่ว่าเครือขาบดีบริษัทไม่ว่าสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้องค์อาจเข้าไปไม่เกื้อเขินนี้เป็นอนิสงฆ์ข้อที่สามย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนะเพราะว่าคนมีศีลเนี่ยนะจะเป็นผู้องค์อาจไม่เกื้อเขินเข้าไปไม่ใช่ ภมุมังกุะนะภมุมังกก็ไม่เก้อเขินไอ้จากนั้นแบบคนชั่วไม่รู้จักรายอะไนะแต่ทีนี้อมังกุภูโตเนะี่ยไม่เก้อเขินเพราะว่าเป็นผู้องค์อาจก็บอกว่าเมื่อไม่เห็นข้อที่จะพึงตําหนิติเตียนอะไรอะไรในตนจึงปราศจากความขั่นครามไม่มีความกลัวนะไปที่ไหนก็สบายเหมือนกันคนที่ไม่มีแผลนะคนไม่มีแผลไปที่ไหนก็สบายแต่ถ้ามีแผลติดตัวนี่ไปที่ไหนมันก็เสียวสันหลัง การสำนวจก็วัวสันหลังหว่านนะไปที่ไหนมันก็ทุกมันยากเหมือนกันมันวิตกมันกังวลมันเดือดร้อนเอ๋ใครจะรู้จากความชั่วนั้นเราหรือเปล่าเหมนะก็วิตกกังวลคอยทนุถนคอ ย, คอยปกปิดนะนีแต่ถ้าหากว่าศีลดีจะไม่เกื้อเินองค์อาจสง่ญาพาเผยในที่ทุกคนทุกแห่งเหมือนกันเถอะอย่างน้อยที่สุดไม่มีใครว่าเราอ่ะสบายใจก่อนแหละมันศีนเนี่ยไม่มีใครมาตําหนิใช่ไหมเพราะว่าศีนเนี่ยมีอาการ อะไรนะที่ว่าไม่มีใครติเตียนอ่ะกิจของของศีลใช่ไหมสัมปัต t i ของศีลก็คือไม่มีโทษที่หน้าติเตียนได้เพราะฉะนั้นคนมีศีลก็จะลักษณะนั้นองค์อาจไม่มีใครมาตำหนีตีเตียนมาดูมินดูแคลนมาว่าร้ายเราในเรื่องนั้นนั้นอ่ะเพราะกุศลธรรมนั้นนเรามีใช่ไหมก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจแต่ถ้าศีลไม่ดีนี่เหมือนเขบอกว่าพระภิกษุหลายรูปก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาบอกว่าข้าพเจ้าขอถวายทานเหล่านี้แก่ท่านผู้มีศีลเมือาหารมื้อ น, นั้นไม่อร่อยเลยเขาว่ากั้น มั น, น, นก็ศีร nucleus มาดีเลยแล้วข้อต่อไปนะดูก่อนท่านครูหาบดีทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งท่านผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำกาลักเนี่ยนะจะไม่หลงตายกว่างั้นเถอะนี้เป็นอ น, นิสงฆ์ข้อที่ศีย่อมมีแก่ท่านผู้มีศีลเพราะความถึงพร้อมด้วยศีล น, น, นะคือมีใจผ่องใสทีเดียวทํากาละ เพราะไม่มีความเดือดร้อนใจคนที่เดือดร้อนใจนี้เดือดร้อนใจว่าเราไม่ได้กระทำความดีไว้เราทำแต่ความชั่วไว้หนอความดีเราไม่ได้ทำไว้หน้ะคนพวกนี้จะเดือดร้อนใจในเวลาใกล้ตายแต่คนมีศีลโอ้ไม่ต้องเดือดร้อนใจใจผ่องใสเลยใช่ไหมแล้วก็เพราะกุศลธรรมเป็นต้นนั่นแหละปรากฏในขณะนั้นทีเดียวคือมรณาสันนวิถเนี่ยนะจะรับอารมณ์ที่เป็นกรรมอารมณ์ที่ดี ที่ไม่มีโทษนะนึกถึงกุศลที่เคยทําไว้อันนี้แคระว่านึกถึงกรรมมาอารมณ์หรือกรรมมณิมิตอารมณ์นึกถึงแต่บุญกุศลที่เคยทําไปอ่ะนะข้าวของวัตถุที่เคยทํากุศลไปหรือกรรมมณิมิตอารมณ์ภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไปเกิดเนี่ยนะภาพเหล่านั้นก็จะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ลุ่มหลงคําว่าลุ่มหลงก็หมายคำว่าอากุศลจิตเกิดใกล้จะตายเนี่ยนะ เรียว่าสำ ม, มูลโหกาลังกโรติว่าง่ะทำตายด้วยความลุ่มหลงด้วยความเร่าร้อนด้วยความเดือดร้อนนะถ้าหากว่าจิตใจลุ่มหลงนี่แสดงว่านายหน้าไม่ดีไปแล้วนะชักชวนเราไปหลอกไปไ ป, ไปทำทารุณกรรมเลยนะถ้าจิตเป็นเศร้าหมองเวลาใกล้จะตายเนี่ยนายหน้าไม่ดีติดต่อเราไปอาบายแล้วนะแต่ถ้าหากว่าจิตใจผ่องใสนี่ก็แสดงว่าราชรสจากเทวราช นะเทวะโลกเนี่ยนะ ม, มาชักชวนนะเพราะฉะนั้นทํำยังไงอะ่ะใกล้จะตายนั่นแหละสําคัญที่สุดและชีวิตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่มีใครทําดีทาวอนก็ไม่มีใครทําชั่วนิรันดร์มันก็มีดีมีชั่วปะปนสลับละเคล้ากันไปศึกษาพระธรรมให้ดีแล้วก็รักษาศีลดีๆอย่างนี้ก็ใกล้จะตายก็ไม่ลุ่มหลงทํากาลกิริยาอันนี้เป็นอันนี้สองข้อที่ที่สี่นะอันนี้สองข้อที่ห้าบอกว่า ดูก่ครือข่าบดีทั้งหลายผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อนนะสุขติเป็นชื่อของมนุษย์โลกสวรรค์ก็เป็นชื่อเทวคติเป็นชื่อของเทวดานับตั้งแต่จาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีเป็นต้นไปเพร้นหลังจากตายเพราะกายแตกทําลายนีนะอันนะสุขติโลกสวรรค์ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ในจิตในใจนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกด้วยเนะีเพราะว่าตายแล้วไม่สูญนี่ใช่ไหม พอตายแล้วไม่ศูนย์แต่ก็ไม่ได้เที่ยงอีกนั่นแหละเอาไงแน่ก็คือไม่ใช่อุชเชท ท, ทิธิและสัสตาทิธีนะเป็นไปตามอํำนาจของปัจจัยปัจจยุบันทั้งหลายผลทั้งหลาย ข, นายขันทั้งหลายเกิดเพราะปัจจัยแต่ขันที่เที่ยงมีไหมไม่มีใช่ไหมไอการเกิดขึ้นการเป็นตายการเกิดการตายก็คือขันนั่นแหละแต่ว่าขันเหล่านี้เที่ยงมีไหมไม่มีแต่ขันเหล่านี้ศูนย์ไหมไม่ศูนย์ได้ปัจจัยเกิดอีกไง ว่าจิตเนี่ยอ ม, มาตะที่สุดนะจะว่าอ ม, มาตะก็อ ม, มาตะนะข่าก็ไม่ตายทราบแช่งก็ไม่ตายนะถ้าไม่ใช้อรหัตตมักเนี่ยนะข้าเขาไม่ตายเขาสังสารวัตรเขาเป็นไปอย่างงั้นแหละเออมันเหนียวที่สุดเลยความคิดนี่กิเลสนี่ยเป็นตัวพาให้เหนียวเลยเขาบอกว่ า, วา เ, ขเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยนะบาลีเขาใช้คําว่า ปุณจะปรังคหปะปติโยศีลาวสี ล, ส, ลสัมปันโนกายะสะเพธาปรมมรณาสุขติงสักขังโลกังอุปัชติพระพุทธเจ้าก็สอนชีวิตเบื้องหน้าแต่ความตายเหมือนกันแต่ว่าสอนข้อ5นะเรื่องชาติหน้ า, าไว้คุยครั้งๆสุดท้ายแต่ว่าเหตุสำคัญสาคัญก็คือข้อหนึ่งถึงข้อ4นี่แหละถ้าข้อ 1-4 ถึงดีแล้วเนี่ยข้อหสบายมาก คำว่าสวรรค์คำว่าสวรรค์นี่มีความหมายว่าเลศิศหรือว่าอย่างดีด้วยอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นนั้นคำว่าสวรรค์นี่ก็คือสีที่ดีๆเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมหอมรสที่อร่อยอร่อยสัมผัสที่ดีๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสวรรค์เหมือนันเถอะ